เวลาพูดถึงความปกติหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่เรามักจะพูดว่าเนี่ยปกติธรรมดาแต่ที่จริงมันไม่ธรรมดานะอย่างการที่เราทำอะไรได้เป็นปกติเนี่ยแม้มันจะดูเหมือนว่าทำไปได้เรื่อยๆทำมานานนับปีหลายสิบปีแต่ที่จริงมันไม่ธรรมดานะยกตัวอย่างเช่น เช้านี้เนี่ยเรากินข้าวนะมีข้าวเราก็ตักข้าวใส่ป่าแล้วเราก็เคี้ยวแล้วก็ทําอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยเราเคี้ยวมันธรรมดาแต่จริงไม่ธรรมดานะทุกอย่างเช่นนะการที่เราจะกลืนอาหารเนี่ยการกลืนอาหารนี่มันไม่ใช่เป็นสัญชตาตญาณ หรือว่าเป็นเรื่องอัตโนมัติทีเดียวนะหรือมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดนะที่ทําให้อาหารเนี่ยที่เราเคี้ยวมันสามารถจ ะ, ะกลืนเข้าไปในกระเพาะอาหารได้ที่จริงมันต้องอาศัยกล้ามเนื้อนะแล้วกล้ามเนื้อนี่เยอะทีเดียวนะถึงห้าสิบมัดเลยนะไม่ใช่ง่ายเลยนะกล้ามเนื้อห้สิบมัดที่ทํางานประสานกัน เพื่อที่จะลําเลียงอาหารที่เราเคี้ยวเนี่ยลงกระเพาะเพราะถ้าเกิดมันทํางานผิดพลาดขึ้นมานะอาหารเนี่มันจะไม่ได้ลงกระเพาะนะมันจะเข้าทางเดินอาหารให้เข้าทางเดินหายใจนะซึ่งมันจุดมันอยู่ใกล้กันมากเลยแล้วถ้าเกิดอาหารนะมันเข้าไปในทางเดินหายใจนะเราก็หายใจไม่ออกนะต้องอาเจียนถ้าอาเจียนไม่ได้นี่ก็ตายเลยล่ะ แต่ว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะก็ทำงานประสานกันดีมากไม่ใช่แค่มัดสองมัดนะต้องห้าสิบมัดเลยนะซึ่งมันก็ต้องอาศัยการประสานงานกับสมองนะมันมีระบบประสาทที่เชื่อมไปสู่สมองสมองก็ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานการประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งห้าสิบมัดเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันดีคืนดีนะในกล้ามเนื้อมันเกิด แมัดใดมัดหนึ่งนะเกิดมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะสมองเริ่มเสื่อมนะไอ้สิ่งที่เราคิดเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องการกลืนเนี่ยมันกลับกลายเป็นยากนะคนพอมีอายุ ม, มากๆหรือว่าพอป่วยในระยะท้ายเนี่ยมันกลืนอาหารไม่ได้เลยนะเพราะว่าบางทีคนบางคนนี่ลืมกลืนเลยใหยย้อะไรไปมันไม่กลือนนะอย่าวว่าจะกลืนอาหารเลวนะเกลือนเสลยยังกลืนไม่ได้เลยเป็นคนที่ ใกล้จะตายเนี่ยก็จะดูตรงนี้แหละสุดท้ายคือไม่กลืนนอันที่แรกก็ไม่กล่าวก่อนคือไม่พูดไม่คุยตอนลังก็ไม่กินไม่กินแต่ยังกลืนได้นะแต่พอสุดท้ายนี่ถึงขั้นไม่กลืนแล้วเนี่ยแสดงว่าใกล้ละนับวันได้เพั้นเนี่ยการกลืนเนี่ยมันเราเชื่อเป็นเรื่องปกตินะแท่จริงไม่ธรรมดาเลยโอ้มันต้องอาศัยองค์ประกอบมากมาย ที่ทำให้เรากินแล้วก็กลืนอาหารได้ตามปกติแล้วก็มีสุขภาพดีพูดถึงการมีสุขภาพดีนะคือไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเราก็มีสุขภาพดีเป็นปกติกันมาบางคนไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยมากเท่าไหร่เลยอย่างมากกว่าเป็นไข้ก็เลยเรียเป็นเรื่องปกตินะมันก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ธรรมดานะเพราะว่าเนี่ย วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะแค่รวมหายใจของเราเนี่ยโอ้มันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราเยอะมากนะมีคนประมาณว่ามีมากถึงสองหมื่นล้านชิ้นเลยนะสองหมื่นล้านจะเรียกว่าอนุภาคก็ไดนะ้คือมันมีขนาดเล็กมากนะจนตามองไม่เห็นไม่ใช่แค่ฝุ่นอย่างเดียวน ะ, ะที่มลพิษ นะพวกพลาสติกเล็กๆหรือว่าพวกเหล็กพวกตะกัวรวมทั้งละอองเกสรเชื้อราแบคทีเรียไวรัสสารพัดเลยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณสองหมื่นชิ้นนะนะเข้าไปในร่างกายของเราผ่านทางลมหายใจแต่ทำไมเราไม่ป่วยนะเพราะว่าร่างกายเรานี่มันทำงานนะกันอย่างแข็งขันมาก ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเราอาจจะจามการไอการจามนี่ก็เป็นการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมแต่ถ้ามันเล็กนะมันก็อาจจะไปติดอยู่กับเยื่อบุทางเดินหายใจซึ่งมันเหนียวๆเป็นเมือกนะหรือว่าถ้ามันสามารถจะหลุดลอกก็ไปได้นะมานทยังเจอกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งมาจากไม่เลือดขาวนานาชนิดเลย้าไปจัดการ แล้วเราก็เลยไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งหมดนี้นี่มันต้องอาศัยการประสานงานแล้วก็อาศัยอค์ประกอบต่างๆมากมายนะถ้าเกิดว่ามันมีอันใดหนึ่งผิดพลาดขึ้นมานะเราก็แย่นะป่วยเลยนะมันไม่ธรรมดาเลยนะการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วย ท, ทั้งที่เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายแต่ร่างกายของเราก็ จัดการได้หมดทั้งๆที่บางสิ่งบางอย่างนะมันเป็นสิ่งที่ผุ้งผกกรรุงการร่างกายเราไม่เคยรู้จักเลยเจอครั้งแรกสดสดสิ่งสิ่งเลยแต่ถ้ามันเป็นอันตรายนี่ก็จัดการได้นะทำงี้ทั้งวันโดยที่เราอาจจะกลังสนุกสนานอาจจะกาลังฟังเพลงอาจจะสวนเส่เฮฮากันแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนต่างๆนี่มันทํางาน เพื่อช่วยทําให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยสองหมื่นล้านนะสองหมืล้านอนุภาคนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะและที่มันยากนั้นคือว่าสิ่งที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยไอ้ที่มีประโยชน์ก็เยอะนะเช่นวิตามินเนี่ยวิตามินแร่ธาตุอาหารเนี่ยไอ้พวกนี้ก็แปลกปลอมกันนะแต่ว่าผงคุ้มกานร่างกายเราไม่ไมแตะไม่ต้องเลยปล่อยผ่านแสดงว่าร่าง่ามันรู้จักแยกแยะว่าอะไร เป็นคุณอะไรเป็นโทษอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยว่าจะกรองจัดการกับสิ่งที่เป็นโทษส่วนสิ่งที่เป็นคุณวิตามินอาหารโปรตีนเข้ามาได้ยาต่างๆอันนี้ก็เป็นความไม่ธรรมดานะจริงๆสิ่งแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ย ที่เราเชื่อมันธรรมดาธรรมดานี่จริงมันก็ล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นแหละเช่นเวลาเรามองเนี่ยนะเรามองเห็นเป็นสีมองเห็นเป็นภาพและสีที่เรามองนี่สามารถจะแยกแยะได้เป็นล้านล้านสีนะเรามองเห็นต้นไม้เป็นสีเขียวเรามองเห็นฟ้าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเมฆเป็นสีขาวจีวเป็นสีเหลืองสีน้าตาลแต่ความจริงก็คือว่า อนุภาคแสงที่มันมากระทบจอประสาท ต, ตาเราเนี่ยมันไม่มีสีนะอนุภาคที่มาจากอนุภาคแสงที่มาจากต้นไม้จากจีวรจากท้องฟ้านี่หมันไม่มีสีนะแต่พอมันมากระทบประสาท ต, ตาเราแล้วกลายเป็นคลื่นไฟฟ้าไปถึงสมองสมองเราตีความเป็นสีเลยนะสีนั้นสีนี้ละเอียดแล้วออมมาก อันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์นะของสมองของเราหรือว่าของร่างกายเราโดยรวมนั่นจะเกิดว่ามันเกิดมีความผิดปกติบางอย่างนะแค่อย่างสองอย่างเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นเลยทีเดียวนะอย่าว่าแต่มองไม่เห็นสีนะบางทีมองไม่เห็นเลยแค่ผิดพลาดอย่างเดียวแต่นี่มันทํางานประสานงานกันเป็นร้อยเป็นพันองค์ประกอบนะจึงทําให้เรามองเห็น อย่างที่เราเห็นทุกวันเนี้ยนะการได้ยินการได้กิ่นก็เหมือนกันที่จริงแม่ต้องว่าการนอนนะโหนนอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็มองเชื่อเป็นเรื่องปกตินะถึงเวลาคืนก็นอนตอนเช้าก็ตื่นมันเป็นยี่มานับสิบสิบปีแต่ที่จริงนี่การที่คนรเรานอนหลับได้นี่มันต้อ ง, งอาศัยองค์ประกอบมากมายเลยมันมีสารหลายตัวที่หลั่งออกมา แค่สารบางตัวไม่หลัามานี่นอนไม่หลับเลยนะนะคนแก่ๆคนอายุมากเนี่ยไอตอนหนุ่มตอนสาวนี่โอ้ยการหลับเป็นเรื่องง่ายแต่พอแก่แล้วนี่การหลับเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าสารบางตัวหรือเอเัยวะบางส่วนนี่มันเริ่มเสื่อมเมลาโทมินก็อาจจะไม่มีหรือว่าออร์รกซินนะขาดหายไปหรือบอกพร่องไป อะดีโนซีนนะทำงานมากไปหรือว่าหายไปเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะทั้งที่มันเพลียวันนั้นเนี่ยความปกตินะที่เรารู้สึกในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันไม่ธรรมดาเลยนะมันเป็นความอัศจรรย์ไม่รู้อย่างนี้แล้วเราควรจะขอบคุณนะขอบคุณที่วันนี้เรายังสามารถจะใช้ชีวิตตามปกติได้ ยังเคี้ยวได้ยังกินได้ยังมองเห็นได้ไม่เจ็บไม่ป่วยยังนอนหลับได้ยังพูดคุยได้ยังเดินเหินได้ทั้งหมดนี้เป็นความอัศจรรย์ทั้งนั้นนะของร่างกายเราแต่ว่าในความปกติเนี่ยนะในขณะที่มันไม่ธรรมดานะในความไม่ปกติเนี่ยที่มันตั้งหาที่มันธรรมดานะพอถึงเวลามันก็เริ่มเสื่อมนะเริ่มกินไม่ได้เริ่มเจ็บเริ่มป่วย นะตาก็เริ่มมองไม่เห็นนะหายใจก็เริ่มติดขัดไอ้พวกนี้คือความไม่ปกตินะแต่มันคือธรรมดาไม่ว่าใครก็ต้องเจอไม่ว่าใครก็ต้องประสบในที่สุดงั้นขณะที่เรามองว่าความปกตินะเป็นธรรมดาเนี่ยต้องมองใหม่นะว่ามันไม่ธรรมดาไอ้ความไม่ปกติต่างหากที่มันธรรมดาที่เราต้องเตรียมใจรับมือกับมันนะความเสื่อมความเจ็บความป่วยความทุกขปภาพนะ พวกนี้นี่มันคือความเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอในที่สุดเระต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่เนิน่นเน่ะไม่ใช่ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคิดว่าเราจะทำเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดพายุมากนี่มันมันจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วล ะ, ละความไม่ปกติจะมาเยือนเพราะมันคือความเป็นธรรมดา